الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى ا ل ه وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ا ش ر ح لي رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وقالي เราอ่านข้าที่ไหวนะครับอ่าโซโลตุซาฟะยันที่หกยันที่หกอ่านไปจนถึงสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอพรบิจ้าทรงอวยพร อ่า น, นได้ทั้งสองแบบ Bizin a tin, m i t a n w i m i n k i a n a tin. Kita menerima i n k i n i m a tin. i t a tin. Kita m a Kita m i a n Kita menerima tin. Kita menerima tin. Kita menerima tin. Kita menerima tin. a m e a t a m e a tin. k a m i m a a m i m a a m i m a a m i m a a m i m لا يسمعون إلى ا ل م ل ا ئ ا ل ع ل ا و ي ق ذ ف و ن من كل جانب ดู ا ب ว و ะและม์อาดับวัซซิ خ ัลลามันขัติฟ ع ชิฮับซัร ب อัลฮัมดุลิลลาฮ์เอาข้าอันนี้กครับทีร่าน้ามีเวลาเราก็อธิบายเพิ่มเติมได้อายัดที่หกนี้ต่อเนื่องจากอายัที่ห้าที่เราแนะนาซุรุตุอัลสาฟัตไปนะครับ่อรอบทีละอัลสฟตวัลสาฟัตีสฟฟาซาจราซจราฟต้าลียร ทั้งหมดนั้นความหมายก็คือการที่ Allah s u w t สงสาบานกับบรรดามาลาอิกะ ah. นะครับและเราก็บอกว่าการที่ Allah ซาลาสาบานกับมัคลูกที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างมาลาอิกะ ah, ก็เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญสำหรับมนุษย์ คำนองการสาบานก็คืออินนัอิลลฮะคุมละวะฮิตต้องการที่จะยืนย ah, ah. ันว่าอัลลอฮ์อิลละอิลละพระผู้เป็นเจ้าที่คู่ควรต่อการรับอิบาดจากเรามีพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือรบบุสมาวะ อีละที่เราจะต้องเคารพพักดีก็คือรับผุสสมาวค์ทิวลอปพระองค์ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินว่ามาบายนะฮูมาพระผู้เป็นเจ้ามักลุกทั้งหมดที่อยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดินว่ารับบุลมาชาลิตพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้มีทิพตะวันออกอัลมาชาลิตมันมีคําอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเราต่างใช้คําพระหูพจน์ตรงนี้นะครับ ในอัลกุรอานเราบอกแล้วว่าอัลมาชาทิศตะวันออกเนี่ยมีทั้งเป็นเอกพจน์มีทั้งเป็นทวีพจน์และมีทั้งพระอุพจน์มาแบบเดียวเดียวรับบุลมาชริกก็มีรับบุลมาชริกอีนี้เป็นสองก็มีในอายตนี้รับบุลมาชาริกมากกว่าสอทําไมต้องใช้คําว่ามากกว่าสอ <c oughs> นักจับสีบางท่านบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับดวงดาวซึ่งอยู่ในอายักที่หกที่เราอา่านเมื่อกี้อินไซยันนสมาดุเนีาบิซีนันินิลกวาคิตตะวันออกที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ขึ้นมาแต่หมายถึง <c oughs> การขึ้นมาของดวงดาวด้วยดวงดาวมันก็มีจุดขึ้นของมันก็เลยใช้คําว่าอัลมาชาเบตเะอายที่ห้ามีหลายที่หลายจุดดวงดาวดวงนี้ขึ้นตรงนี้ดวงดาวดวงนั้นขึ้นตรงนั้นเห็นไหมแต่และที่แต่และจุดเนี่ยก็แตกต่างกันไปหลังจากนั้นพระองค์ก็พูดถึงดวงดาว อินน่าเจียนน์ส์ส์มาอันดุ尼亚บิดีบิ้ซีนต <laughs> sure ินิลกาวาคิดซีนตินิลกาวาคิดเวลาอ่านต้องเพิ่มนูนก็ ش ر ะลงไปด้วยซีนตินคำเดิมๆก็คือซีนตินแล้วมันไปเจอกับคำะากอัสสลอื่ต่ก็อุษาขี่ในมันมีนูนตาอยู่ซีนตินเนี่ยมันมีนูนตาอยู่ข้างหลังแล้วไปเจอกับอาลีฟที่ตาย สตัวที่ตายเนี่ยมันตายไม่ได้มันต้องตายแค่ตัวเดียวเข้าใจไหมครับตันวีเนี่ยอันเอ็นอนเนี่ยมันจากมันมาจากคําอะไรเสียงนูนไหมเวลาที่เราอ่านตันวีพัทธะมันเป็นเสียงนูนว่าเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงนูนไหมก็คือเสียงนูนตายบันนูนตายเบนนูนตายบนนูนตาย ต, ตันเต้นต้นเป็นเสียงนูนตายอยู่ทั้งหลัง บีซีนั่นหมายถึงมีนูนตายอยู่แล้วนูนตายตัวนี้ไปเจอแบบอะไรอลกวาเกอลิสอปลิสติาเพราะฉะนั้นตายสองตัวไม่ได้ต้องตายแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้นูนเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเข้าใจหรือเปล่าครับเวลาอ่านก็เลยต้องอ่านว่าบีซีนั่นที่นิลกวาเกตรียกนูนกลับคืนมา อินนาเซียนนัสสัมมาอะตุเน ah. nah, nah, ียบิซีนาตินิลกาวเม่อย่างงั้นจะอ่ยังไงถ้าไม่ให้นูนมีชีวิตจะอ่านยังไงฮะอ่านไม่ได้มันมีสองตัวมันมีตัวนนอยู่จะอ่านว่าติลไม่ได้มีกิรออัดที่อ่านว่าบิซีนาติลกาวเก็บก็มีแต่ในมุสลิมที่เราอ่านเนี่ยต้องให้ตัวนนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะครับง่ายๆเลยก็คือใส่นูนเข้าไปเล็กๆ บี ز ซีนัตี ن ิลซีนัตีนิลกัวคัพแบบนี้แหละมูล่าที่ในอัลกุรอานแบบนี้อินَّา زين َ ا ส์ส์มาอัลดุนยาบี๊ซีนั ا, ا ل ْ ك َ و َ ا ك ِพِ و َ خ ص ّ الله المشارق بالذكر لأن لدلالتها على المغارف أو لأنها مشارق النجوم ลราแต่ละใช้คาว่าทิศตะวันออกหลายๆายที่เนี่ยหมายถึงทิศตะวันออกที่เป็นจุดปรากฏขึ้นมาของดวงดาวแต่และดวงแล้วดวงดาวแต่และดวงเนี่ยมีประโยชน์อะไรลราแต่ละบอกว่าแท้จริงแล้วเราได้ประดับท้องฟ้าดุนยียด้วยการประดับของดวงดาว หน้าที่ของดวงดาวก็คือทําให้ดุนีย์ทาให้ท้องฟ้าของโลกดุนีย์โลกดุนีย์ก็คือโลกของเร า, าเฉพาะโลกเราเท่านั้นที่มองเห็นดวงดาวแบบเนี้ยโลกอื่นบนโลกอาลามเห็นแบบไหนแต่โลกเราเนี่ยละตาลาบอกว่าโลกดุนีย์เนี่ยละตาลาให้เราเห็นดวงดาวลองจินตนาการดูว่าถ้าโลกเราละตาลาไม่เห็นไม่ให้เห็นดวงดาวให้เห็นมืดเลยเนี่ยมันจะสวยงามไหมไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องสมมุติก็ได้ลองเปรียบเทียบของที่มีอยู่จริงคืนไหนที่เป็นคืนมืดไม่เห็นอะไรเลยหรือคืนที่ไม่เห็นดวงดาวกับคืนที่เห็นดวงดาวเราชอบอันไหนมากกว่าอันไหนสวยกว่าคืนที่มีดวงดาวสวยกว่าและสังเกตดูนะมนุษย์เวลาหาความสวยงามเนี่ยมักจะมองท้องฟ้าเวลาจะพูดถึงความสวยงามของหญิงสาว เราอะไรกัเปรียบเทียบนะต้องเปรียบเทียบกับดวงจัง น, นทร์ก็ต้องมองทางฟ้าต้องมองท้องฟ้าหรือเวลาจะเปรียบเทียบความอลังการก็ต้องเอาท้องฟ้ามาเปรียบเทียบเอาแต่ลาให้ท้องฟ้าเป็นที่ที่หัวใจของเรารู้สึกสวยงามลองออกไปมองท้องฟ้ากลางคืนวันไหนที่มีคืนไหนที่มีดวงดาวเต็มระยประยัะยเนี่ยลองออกไป อ, ออกไปแล้วลองดูอัลลอฮฺตะลาสั่งให้เราดูท้องฟ้าการดูความสวยงามของท้องฟ้าจะสะ ก, กิด إ ي م านเราจะสะ ก, กิดความศรัทธาของเราจะช่วยทําให้ความศรัทธาของเราการที่เราอยากจะกลับไปหาอัลลอะลามันมีมากขึ้น إ ي م านของเรามีมากขึ้นเหมือนที่อัลลอฮฺตะลาพูดถึงในสุรทุลมุลค์นะที่เราเคยเรียนมานานแล้วนะครับเนี่ยอยันนี้คล้ายๆกัน إ ินน่า زين السماء الدنيا بزينة الكواكب นี่คือสุรุษุทัลหม l ลก็เล่าอะไรนะเนี่ย ولقد زين السماء الدنيا بمصائب وجعلناها رجوما للشياطين فعتدنا لهم عذاب السعيد อันี้คือหน้าที่อันที่หนึ่งของดวงดบ นั่นที่อันที่งก็คือเป็นเครื่องประดับข้าวนูฮะจีนน์นนแหะสัมมาประยชน์ Allah ผู้ในก่าคือทั้งสองอย่างอันที่หนึ่ง้นูฮะีนันลสมา <ت ص في ق> إ ذ ้ ولاها ل ล ا วการท م ่ส ل ป้ามุ ا งลิมต ه ا ะด้วยอีก ا ่ ه ا ต่ س ต่แต ا แต่แต่แต่แต่แต่ ه ต ا แต่แต่แต่แต่แต่ ا ต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต อ่าเขาดูอะไระเป็นดูเป็นไหมเขาดาวดวงไหนดวงไหนก็ได้ดาวเหนือดาวเหนือดาวเหนือมันจะอยู่กับที่ไหมดาวอะไรที่อยู่กับที่มันจะมีดาวที่อยู่กับที่แล้วก็ดาวที่ขึ้นมาเฉพาะ ต, ตอนเช้าใช่ไหมอ่เวลาที่ขึ้นมาตอนเช้าอาจจะได้รู้แล้วว่าอ่าเนี้ยทิศไหนแต่วันออกแต่วันตกลุบ س ب ح ا อัลลอฮ์ سبحان อัลลอฮ์ละอีละฮะอิลลัลลอฮ เป็นประโยชน์มากมายนะครับจากดวงดาวมนุษย์ก็คิดคดเครื่องมือต่างๆคิดคำนวณดาราศาสตร์คิดคำนวณเรื่องภูมิศาสตร์คิดคำนวณเรื่อ ง, อ, ศศนน อ, งอีกหลายๆเรื่องจากดวงดาวอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกในอายัดนี้ประโยชน์ข้อที่สองประโยชน์ข้อที่สองเนี่ยอาจจะอยู่นอกเหนือการรับรู้ของเรา แ ต, ต่อลัตาล์ก็เอามาพูดประโยชน์ข้อแรกอยู่ในการรับรู้ของเราเราเห็นชัดเจนว่าดวงดาวเนี่ยมันประดับประดาคองฟะาแต่อันที่สองนี่มีประโยชน์อะไรว่าฮิสบอมมิงคุลิชัยตอนิมาริดดวงดาวนี่มีหน้าที่ป้องกันชัยตอนที่ดื้อรั้นและพยศ ว่าที่สอาระสติสัมปันธ์ทุกๆชัยตันมารด์ยั่วซุบด้วยการกระทำของตนให้ถึงสวรรค์สุดขั้วที่เป็นสิ่งที่สุดยอดที่ชุดของโลก ใช้คําว่าเกเรบางทีอาจจะยังไม่ยังไม่เท่าไหร่หนักกว่าเกเรคืออะไราภาษาเราภาษาอันธพ า, านโอเคสวยคำนี้สวยชัยตอนอิมมาริชัยตอนอันธพานเพราะชัยตอนทุกตัวส่วนใหญ่จะเกเรยอยู่แล้วแต่ที่มากกว่าเกเรก็คือพวกอันธพาลพวกที่อยู่พวกที่แบบชอบทําคะแนนเพื่อไปเอารางวันจาก บอส ย, ยัยอันนี้พวกชัตตานิมาริตพวกนี้ทำอะไรอ่ยุคดฟุนจนะากุลลิจานบดูฮูระไม่ได้จะฟันั่นแหละที่เราได้ยินมาพวกชัตตานพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปทำอะไร ขึ้นไปฟังสิ่งที่อัลลอฮ์ س ะจะบอกกับมลอิก k ั t หรือขึ้นไปฟังเรื่องราวที่มา l a i k a t พูดกันเพราะว่ามาล a i k a t เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่บนท้องฟ้าแล้วข่าวคราวต่างๆมาจากไหนมาจากท้องฟ้า เพราะฉะนั้นพวกจีนพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าอยู่บนแผ่นดินเขแต่ละไลจีนลงมาอยู่บนโลกกับมนุษย์กับอาดัมมาตั้งแต่วันแรกแล้วพวกมันมีทางรู้ไหยนะไม่รับรู้ข่าวสารอะไรอีกวิธีการเดียวที่จะรับรู้ข่าวสารก็คืออ่าบางรู้สึกว่าบางรายงานหรือเปล่าที่บอกว่ามันจะก่อตัวก่อตัวก่อตัวต่อต่อต่อต่อชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปแล้วก็ไปฟัง ไปดักฟังสิ่งที่มาละไอ้กัดพูดแล้วก็เอามาถ่ายเอามาถ่ายให้กับใครอะเอามาถ่ายให้กับมนุษย์โอ้ทาธุรกิจอ่ะมั่งศรัลลัมสุบฮานฮะลอ <_ s> เอามาถ่ายให้กับบรรดาหมอดูหมอเดาทั้งหลายและไอ้พวกหมอดูหมอเดาทั้งหลายมันก็มันก็นจะเพิ่มก็เกว่าเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเพิ่มผงชูรส เพิ่มนุ่นนิดหน่อยเพิ่มนีนิดหน่อยปรับแต่งสิ่งที่ชัยตอนเอามาบอกกับตัวเองแล้วก็เอามาบอกคนอื่นต่อนี่คือแหละคือหน้าที่ของของชัยตอนเพราะฉะนั้นอัละตะัลาทำหน้าที่ากาหนดให้ดวงดาวเนี่ยเอาดวงดาวมาช่วยในการป้องกันไม่ให้ชัยตอนไปฟังมาละ ก, กันทำยังไงยกกระสุน โดยเอาดวงดาวเอาเศษดาวเอาอะไรต่างๆเนี่ยไปพุ่งไปโยนให้โดนบรรดาชร์ทรพวกนี้เพื่อไม่ให้รับฟังข่าวสารจากอะอรกั <c oughs> นทีนี้นะมันมีห a ด i ษที่เราเคยเรียนในสุรทุลจินในอิมนุกอีซิรเองก็เอามาพูดนะเอามา อีกครั้งนึงนะครับในมุกัดิดเอามาเล่าอีกครั้งนึ่งเป็น h a d i ษ h จากรายงานจากอิบนาอับบัสรศวมมกล่าวแก่ล ي ชยาตินว่าข้าวาดุฟิล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ا ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มล ا อ์กันเนี่ยไม่ใช่จินชั่วร้ายตุ๊ตกชัยตอนะผมนึนบบาสาอกว่าชัยตอ น, นยจะมีที่นั่งจะมีที่ประจำของตัวเองอยู่บนท้องฟ้าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เพื่อไปดักฟังวะฮยูทีนี้พอได้ฟังอะไรมาเนี่ยก็เอาลงมาที่ โลกก็เอามาเพิ่ม เ, เพิ่มในมันเป็นสิ่งไม่ใช่ของจริงเพิ่มเวลาที่เราเพิ่มเอาอยัางไงดีจะอธิบายให้เข้าใจยังไงดีสมมติข่าวข่าวหนึ่งที่มันออกมาสมมติข่าวเกิดที่บ้านเราข่าวเกิดที่บางชีแล้วมีอะไรสักข่าวนั้นเกิดขึ้นทีนี้คนนั้นได้ยินมาไปบอกคนที่สอง คนที่สองไปบอกคนที่สามถามว่าเอาจริงๆมันเหมือนร้ยอยเปอร์เซ็นตมันต้องมีถ้าไม่ลดน้อยลงก็จะต้องเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเพิ่มรัวลดส่วนใหญ่จะเพิ่มจากร้อยลายเซ็นปเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นคนที่สองไปเล่าคนที่สามเป็นยังไงร้อยห้าร้อยห้าสิเปอร์เซ็นตเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื ย, รยคนที่สี่ไปเล่าให้คนอยู่ปลายเกาะ จากเดิมไอที่ฟังมาสิบกลายมาเป็นหนึ่งร้อยเพิ่มไปเพิ่มไปเชยตอนก็เหมือนกันเล่าไปเล่าไปสุดท้ายคนที่รับคนสุดท้ายเป็นยังไงไม่ใช่ของจริงละนี่คือน้่ที่ต่องมนอินิอับสกบลาวัฟเลมบอิารูลุลลอฮลลัลลอฮอลฮิวะสัลลัมเมื่ออัลลอฮซุบฮานะฮตะอัลลาตั้งท่าันบีซุลลัลลอฮฺอัลสลัม جعل الشيطان إذا حصد مقعده جاءه شهاب فلم يقطع فلم يقطع حتى يبرقه พอถึงช่วงนึงปรากฏว่าไอ้ชัยตันที่เคยนั่งอยู่ตามจุดต่างๆบนท้องฟ้าเนี่ยพอจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นมีดวงดาวมีดาวพุ่งดาวดาวอะไรดาว ดาหางชีฮาบีไหมถึงดาวหางดาวเนี่ยทุ่งมาโจมตีไปพวกนี้ก็แปลกใจผมไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนฟาชกูดาิตอิลอิบลิสก็เลยไปฟ้องกับอิบลิสบอสใหญ่ของมันว่าตอนนี้ไปไปไปฟ้องไปไปขโมยขาวไม่ได้แล้วนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรากฏการณ์แปลกมากไม่เคยได้ยิน Iblis k a l a w a r f a q a l a mahu w a illa a m r u n hadas, m a n t o n g mi arai, sak y a n e n g nenek, k e r a w a p o k a t i tidak s e n y a n i ini, a l a s a b a t a j u n u dahulu, m a i s m n g s y a i t a n p a i t r a w e n d u si w a Kalau ada yang t e r t e m l o k n i faida rasulullah saw. Nah, l l l l a a alaihi h u Tidak ada y a a i n a l a e n a k g a t a k a n ini. พวกชัยตอนที่อิบลิสส่งไปเนี่ยก็ไปเจอกับท่านนาบีสุลตาราะฮฺอะลัยฮฺนั่นแหละเรื่องราวในสุรตุลจินที่จินน่ะไปฟังท่านนาบีอ่านอัลกุรอานอยู่ในขณะที่ท่านกําลังละมา่ก็เลยไปเล่าให้ชัยให้อิบลิสฟังกลับไปเล่าให้อิบลิสฟังอิบลิสบอกว่ า, วานี่แหละสาเหตุที่พวกชัยตอนไม่สามารถจะไปขโมย วิญญาฟังได้อีกนต่คือความอหมายในอาะม้านจม้ฟั้ท่านจะม้ังาอะม่ได้่านจะไม่้่านจะไม่ได้ฟังได้ท่านจะไม่ไ้ฟังไ่านจะไมฟังไ่านจะไม่ได้ฟั้ท่านจะกม่ไัได้่านจะไม่ได้ได้ท่านจะด้ฟังได้ทานจะไม่ได้ฟังจด้ท่านจะไมด้ฟังได้ท่าจะไม่ได้ฟงท่่พวกเขามานะไับไล่าสส่ง วะล้มอาดาบุวาซิบะละพวกเขาจะต้องรับการลงโทษอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับว่าไม่มีอีกแล้วพอถึงยุคของท่านนาบีสุลล่านอะลัยวะสัลลัมอิบลีสพวกนี้ชัยตอนพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปขโมยฟังวาหยุหรือข่าวสารต่งตางๆจากาท้องฟ้าอีกเดี๋ยวก่อน ที่เราบอกว่าไม่สามารถเนี่ยมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นตรงไหนอายักที่สิบนะอิลลามันขติฟัลขัตฟตฟะต์บะฮูชิฮะบุนซาคิดยกเว้นคนที่พยายามสุดๆโดยปกติแล้วเนี่ยทำไม่ได้แต่ก็ยังมีอีกคนที่แบบ นใช่ไม่ใช่คนใช่ตอนที่แบบพยายามสุดๆจะขโมยมาให้ได้เนี่ยเห็นปุ๊บฟังมาพยายามหลบหลบที่จะไปดึงมาไปขโมยมาเมื่อก่อนนี่ทำได้ซึ่งซึ่งหน้าแต่ว่าพอมาถึงยุคของท่านนาบีสุลต่านทำซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้นะต้องต้องแบบหลบหลบขัดฝันขัดฝก็ก ต, ต, ต, ต, ต้องดึงแบ บ, บรีบๆปรีนะอาลาสอลาสิร อ, อ, อะไรนะอาลาคิฟย ทำแบบหลบๆซ่อนๆเพื่อไม่ให้โดนทำสมมติว่าจะมีดวงดาวมาโดนตัวเองก็ต้องหลบนี่เขาอธิบายว่ายังไงนะอับนุอัลสะดีบอกว่าวะโหา أنه تعالى استثنى ถ้าสมมติ Allah ت ع ไม่ยกเว้นในอนี้เนี่ยแล้วการนั้นนั้นเป็นหลักฐานว่าพวกเขาไม่ไัอะล อายัดที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นดาลีเป็นหลักฐานที่บอกว่าชัยตอนไม่สามารถจะฟังอะไรได้เลยแต่พอมีอายัที่สิบมาเนี่ยเป็นการยกเว้น ولكن قال إ ِ ل َّ مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةِ أي إ ل ال ِ ل َّ مَنْ تَلَقَّفَ مِنَ الشَّيَاطِينِ الْمَرَدَةِ الكلمة الواحدة على وجه الخفة و ا ل ر ق แต่มันก็มีอีกอมันพยายามดูสุบฮานละลอี่น้องครับลองคิดดูสิว่าชัยตอนมันยอมพลีชีพขนาดไหนในการที่จะไปทำเรื่องชั่วๆขนาดนั้นนี่ถึงขั้นต้องปลีชีพเลยนะเอ้าไม่พลีชีพได้ยังไงในเมื่อถ้าสมมติว่ามันพลาดนี่มันอะไรมันถึงขั้นตายเลยนะ แล้วจะบอกว่าไม่ปฏิชีพได้ยังไงเพราะฉะนั้น سبحان Allah เราต้องรู้ว่าชัยตอนนี่มันตัวอันตรายมันไปฟังคําคําพูดต่างๆของมล aiskat วะฮยูต่างๆของมาล aiskat เนี่ยเพื่อจะมาเอามาบอกเล่ากับมนุษย์ด้วยความหวังดีไหมไม่ใช่แต่มันเพื่อมาทําอะไรเพื่อมาทําให้เกิดความสงสยัยเพื่อมาทําให้เกิดความวุ่นวาย พวกหมอดงหมอดูทั้งหลายเนี่ยถามว่าหวังดีแต่มนุษยชาติหรือเปล่าพวกนักมายาตนนักเสยศาสตทั้งหลายที่รับเป็นลูกศิษย์ของชัยตอนเนี่ยไม่มีทางชัยตอนปลีชีพถึงขั้นปลีชีพเอาเรื่องต่างๆแล้วนั้นมาทำให้มนุษย์หลงผิดหลงทาง Allah, ทลแล้วอิละฮ์อิละลอเรายอมไหมที่จะยืนหยัดในสัตธรรม ให้เหมือนขับที่ใช้ตอนยอมปลีชีพที่จะยืนหยัดบนความโกหกหมดเท็ตของมันเอาดูเป็นเลยมันด้อิลล่มละมันค้อฟัลพักกะยกเว้นพวกที่ไปหยิบช่วยมาแบบเร็วๆแ ล, วแล้วอาจจะโดนด้วยนะแต่ถ้าสมมติมันมีวิธีการอีกอันนี้มีการอธิบายด้วยนะบางคัศิ้เ น, นี่ยอธิบายว่าสมมติตัวแรกไปเอามาแล้วตัวแรกเนี่ยมันจะโดนทาโดนอะไรนะโดน โดนไฟพุ่งเข้ามาเนี่ยมันรีบบอกไอตัวที่ยังไม่โดนอ่ะเข้าใจไหมครับมันรีบบอกตัวที่สองที่ยังไม่โดนไอตัวที่สองมันก็ฟังถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ไปเล่าต่อเล่าต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายจนถึงหมอดูจนได้จนถึงมนุษย์จนได้มันพยายามขนาดนั้นอัสซาฟุลลอฮฺวาอะสุบลออิลละนะเป็นยังไง <No. S 2> <No. S 1> ف ะอัตบ ب ฮ ا เขาชิฮับสากดตา قبلأنيو ซิลฮาอีลาอุลียาต ن ะยังตัด ل ่าวสารบางทีก็ดรุ่นไม่ทัน้คนอื่นฟังแต่บางที و, و ت ا ระตันยุขบิร ل บิฮะฟะก่อนอันแต่บางทีมันก็ทันที่จะบอกต่อทาให้ ف ะยั ه ดบุนมาเอ سبب الكلمة ที่ได้ยิน س บ ح ا ن Allah เพราะฉะนั้นเราอย่าแปลกใจนะครับบางทีเราได้ยินพวกไอที่บอกว่ารู้นูน่นรู้นี่ต่างๆนานาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่ารู้มาจากไหนรู้ผิดรู้ถูกบางทีก็ถูกบ้างหมอดูบางทีงทมันไม่ได้ผิดทั้งหมดบางทีมันก็มีถูกอต่ว่าถูกที่มันรู้จริงจริงไหมนี่แหละ แนวะที่มาที่ไปแนะวบางทีเราอาจจะต้องเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าความร่วมมือระหว่ง is, างอิบลิสชัยตอนกับมนุษย์นวะที่ยอมยอมยกตัวเองให้กับชัยตอนเนี่ยชัยตอนมันจะขายมันจะขายข้อมูลที่มันได้มาเนี่ยให้กับมนุษย์เนี่ยมันขายด้วยอะไรมันขายด้วยตังไหมสมมุติมันมาถึงปุ๊บขาย สิบล้านเราให้สิบล้านกับเชตตอนไหมไม่เอามันไม่เอาตังมันเอาอะไรมันเอากูเฟอร์เป็นค่าตอบแทนเข้าใจไหมครับมันต้องให้เรากู้เฟอร์ต่อม า, าลาก่อนมันถึงจะให้ข้อมูลที่มันได้มานี่คือการแลกเปลี่ยนของมันยิ่งเรากูเฟอร์ยิ่งเราทําตามมันมากเท่าไหร่อ๋อ ยิ่งเราเป็นคนสนิทของมันมันก็จะยิ่งเฮไอ้พวกหมอที่เก่งกาจทั้งหลายเนี่ยระวังให้ดีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังแบบน่ากลัวมากเรื่องราวที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนเพื่อนบางคนที่เขาไปเห็นเราเองไม่เคยเห็นแต่เราได้ยินเขาฟั ง, ฟงมาเนี่ยโอ้โหมันฟังไม่ได้นะมันน่ากลัวมันมั น, ม, นมันสุดที่จะบรรยาย ทำไมต้องทำขนาดไหนบรรดาโต๊ะหมอทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีพิธีกรรมของมันแต่ละอย่างขนาดไหนเพื่อยอมให้ชัยตอนมามารับใช้หรือมาให้ข้อมูลกับมันนี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชัยตอนกับมนุษย์ซึ้นอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع บอกในสุรนี้สังเกตด้วยให้ดีนะสุรนี้เริ่มต้นด้วยมาลอยกัต ซึ่งอยู่บนท้องฟ้าคู่ตรงกันข้ามกับมาลาอิกัสก็คือชัยตอนให้เห็นความชัดเจนเลยว่ามาลาอิกัสมีหน้าที่อะไรในขณะที่ชัยตอนมีหน้าที่อะไรมาลาอิกัสมีหน้าที่ที่สูงส่งมากอัลอฟาติซอฟฟาคอยรับบัญชาจากอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى อย่างพร้อมเพรียงในขณะที่ชัยตอนก็รอรับคําสั่งจากอิบลิสอย่างพร้อมเพรียงเหมือนกัน ม لا เอกราตมีหน้าที ta an, ta an ่ในการอัลซาจิราติซาจราคอยทำหน้าที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ไล่ตอนก้อนเมฆทั้งหลายด้วยให้น้ําฝนลงมาในขณะที่ชายตอนทําหน้าที่อะไรให้ประโยชน์กับมนุษย์ไหมไม่ได้ให้ประโยชน์กับมนุษย์ให้โทษกับมนุษย์ในขณะที่อัลมาเลกทําหน้าที่ในการอ่านอัลกุรอานนับอัลฮยูาะลัตตะละ ไปยังบรรดารอซู ل บรรดานาบีไว้ให้บรรดานาบีอ่านให้กับประชาชนของพวกท่านฟังใช่ตอนกลับไปเอาเรื่องราวโกหกมาให้มนุษย์ฟังแตกต่างคนละเรื่องเลยอัสลามุขุลลอัลอฮุเบียลัยละฮอลลวะลาฮ์อัตะอิลลัลิลลาอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับบนท้องฟ้าซึ่งบางทีข้อละตะาลาไม่เล่าให้เราฟังเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวพวกนี้ หมดอายัที um, ่สิบทีนี้อ่านไปสักนิดหนึ่งนะครับดูซิว่าได้ประมาณเท่าไหร่อายัที่สิบเอดนะครับฟَ س َ ت َ ف ْ ت ِ أ ه ُ م أَشَدُّ خَلْقًا أ َ م ن خ َ ل َ ق ن َ ا إِنَّ خ َ ل َ ق ن َ ا ه ُ م ِ ن ْ ط ِ ي ن ل ا ز ِ ب อันนี้เป็นการอุกลับมา ไหท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมถามบรรดาพวกมุชรินพวกมุชรินที่ไม่ยอมศรัทธาต่อ Allah ไม่ยอมศรัทธาต่อวันอันรุ่งอรุไม่ยอมศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปัสเตฟตีห์ถามพวกเขาเถิอัมุฮัมมัดอะฮุมอะชัดดุลกนอะหมันขลกนะรวพวกเขา กับมา l อก k a t ที่เราสร้างกับท้องฟ้าที่เราสร้างกับจินที่เราสร้างกับจักราวาลที่เราสร้างระหว่างเจ้ากับมักลุกหรืออื่นๆทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่มันอลังการกว่าะอาุมอัชั ด, ดขลกัพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าหรือมา l ิก k a t มีความแข็งแกร่งมากกว่า มนุษย์กับมล a i ก g เทียบกันได้ไหมเทียบกันไม่ได้มนุษย์กับท้องฟ้ากับดวงดาวเทออัตลากช้าในการลงโทษชัยตอนเทียบกันได้ไหมเทียบกันไม่ได้อินนา خلقناهم من طين اللاذبة แท้จริงแล้วเราสร้างพวกเขามาจากดินดินเหนียสร้างสร้างมนุษย์มีมาจากดินถามทาไมแบบนี้ เวลาที่เราถามว่าเห็นท้องฟ้าไหมาถามลองถามพวกเราเห็นท้องฟ้าไหมเห็นท้องฟ้ากับเราเนี่ยอันไหนยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ายิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้าใครสร้างอัลลอฮ์สร้างแล้วเราอะเราซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างซึ่งเล็กกว่าท้องฟ้าถ้าสมมุติยอมรับว่าท้องฟ้านี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันถูกสร้าง ด้วยอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ะมนุษย์เล็กๆอย่างเราเนี่ยพัลลอฮ์าลาจะไม่สร้างได้อย่างไรหรืออันยัตนี้เนี่ยเป็น د ลีลที่ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะบอกว่าการฟื้นคืนชีพสำหรับอัลลอ์นั้นไม่ได้ออกไปจากความเดชานุภาพของพระองค์แต่อย่างใด เหตุผลที่พวกมุชริกีนไม่ยอมเชื่อว่ามีวันอัคคีรอห์ไม่ยอมเชื่อว่ามีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอลอสุบฮานาวะตะละพวกเขาไม่ยอมรับเหมือนว่าให้มันเป็นไปได้ยังไงตายไปแล้วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวจะมีอายัดหลังจากนี้นะที่คนพวกนี้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไง หลังจากที่เป็นดินไปแล้วหลังจากที่เป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกรอบได้ยังไงดูถูกความยิ่งใหญ่ความสามารถของ Allah Subhanahu Wa Taala เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของ Allah Taala ความสามารถของพระองค์ในการให้มีวันอเคเหรอให้เขาดูความยิ่งใหญ่ของา l l a h Taala ต, ตอนที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนีย์นี้ก่อนเลยยอมรับไหม ว่าสิ่งที่พระองค์สร้างทั้งหมดเนี่ยต้องใช้อำนาจต้องใช้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการสร้างแล้วพระองค์ก็สร้างได้จริงๆถ้ายอมรับได้แล้วเหตุใดเหตุใดจึงไม่ยอมรับว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรติธมทั้งๆ ท, ที่การสร้างขึ้นมาในวันกียรตินั้นเป็นการสร้างจากต้นทุนที่มีอยู่แล้วพระองค์บอกว่า พระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินก่อนหน้านั้นเป็นอะไรสร้างจากดินไม่ใช่สร้างเราสร้างใครจากดินบนรรพบุรุษคนแรกของเราก็คืออาดัมอะละลฮิสซาลามอัลลอสร้างขึ้นมาจากดินซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเลยจากอาดัมหนึ่งคนมาเป็นเป็นสองคนเป็นสามคนเป็นสี่คนมาจนมาจนถึงทุกวันนี้เป็นกี่คนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่สร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วถ้าสมมติว่า วันอัคราสมาถึงมนุษย์ตายหมดแล้วเชื้อของมนุษย์นี่ยังมีอยู่ไหมไม่ได้สร้างมาจากความว่างเปล่าเลยนะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าสร้างขึ้นมาจากดีเออหรืออะไรสักอย่างหนึ่งขอพระหัว ล, ลัมแต่ว่ามีบางขดิษที่บอกว่ามนุษย์ในวันอัคราสจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากก้น กระดูกต้นกบที่มีชื่อว่าアジบูเซนับทุกส่วนของมนุษย์เนี่ยถ้ามันจะสลายมันสลายหมดแต่มันจะเหลืออยู่วัลลาอฮฺหะอฺเหลื อ, อยังไงนะครับアジบูเซนับเรียกว่าアジบูเซนบพวกเราทุกคนจะฟื้นขึ้นมาในวันอัคราจากส่วนที่เหลืออยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบการสร้างครั้งที่หนึ่ง อากที่ไม่มีอะไรเลยเอาดินมาแล้วก็ทาให้เป็นมนุษย์คนแรกกับการสร้างครั้งที่สองเราใช้ตะ ก, กะแบบมนุษย์เราๆ เ, เนี่ยซึ่งมันมีของมันมีอยู่แล้วเราสร้างขึ้นมาใหม่อันไหนง่ายกว่าอันไหนยากกว่าการสร้างครั้งที่สองมันง่ายกว่าด้วยซ้าสำหรับอัลต์ตะอลาไม่แตกต่างเลยนะอันนี้ที่เราบอกว่าการสร้างครั้งที่สองง่ายกว่านี่เรามองแบบ สายตาของเราแต่สําหรับอัลละฮ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สกี่ครั้งกี่ครั้งที่พระองค์จะสร้างไม่มีความแตกตา่างแต่เราพูดในตักกะที่มนนุ่นด้วยกันเข้าใจว่าในเมื่อพระองค์สร้างครั้งแรกได้แล้วทําไมพระองค์จึงจะสร้างครั้งที่สองไม่นะทั้งทั้งที่ครั้งที่สองนั้นมีอุปกรณ์มีองค์ประกอบอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ทั้งหมด มันง wow, ่ายกว่าการสร้างครั้งแรกในความรู <God. S 2> <that> <ita> ้สึกของเราได้สักไปเพราะฉะนั้นให้ถามพวกเขาอุมอัชชัดดุลักนัมมันขลักนาะถามพวกเขาเหล่านั้นว่าแล้วแต่จะยุครูอันขลักอสสมาวัติและอัรอักบรูมขลักน้าส์ยัลซัมุฮมอิดันอัลอัตารุบิลเบาะซทัเขายามรับ ว่าการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์มากต้องยอมรับในความเพียงแปลงความสามารถของ Allah พระเดชานุภาพของ Allah พวกเขาก็ต้องยอมรับในการที่อัลลอฮฺบอกว่าพอมนุษย์ตายแล้วเนี่ยพระองค์จะสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเบลเราเลวร์จะเอิไปละอันฟุสิมว่าค่ารูฟ ถ้าพวกเขากลับไปมองตัวพวกเขาเองและคิดไตรตรองให้ดีและล ل م ู أننبتذا أخلقهم من قين اللاذب أصعب عند الفكر من إ ิมบ ئ ه م بعد م ิฮิมการสร้างครั้งแรกของมนุษย์นั้นยากกว่าการที่พวกเขาจะฟื้นขึ้นมารอบที่สองด้วยซ้ำไปอันนี้คือหลักฐานนะครับในเชิงที่จะตอบความคลางแพลนสงสัย ของบรรดาคนที่ปฏิเสธวันเกียรติว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรอาลาก็ให้ท่านนาบีถามพวกเขาแล้วพวกเจ้าไม่คิดบ้างเหรือว่าตอนแรกไม่มีอะไรเลยแล้วเกิดขึ้นมาตอนเนี้ยตอนที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่ยเราไม่แปลกใจอะไรบ้างหรือว่าเกิดได้ยังไงอ่ทําไมเราไม่เคยคิดอ่ะเราไปคิดว่าเราจะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งยังไงแต่เราไม่เคยคิดว่าเราเกิดครั้งแรกได้ยังไง ในเรืโดเนียนี้มีใครคิดบ้างว่าเออพวกเองเกิดขึ้นครั้งแรกมาได้ยังไงพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยคิดไหมฮะอบูบักกอะไรนะไอพวกอบูจฮัลอบูลาฮับไอพวกมุชลินทั้งหลายแหละที่ปฏิเสธท่านอบีมุฮัมมัดสโลตสลับเวลาที่ท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดบอกว่าวันเกียร์มัตจะมีตั้งคําถามกับวันเกียรมนั้นแต่ไม่เคยตั้งคําถามกับกับชีวิตของพวกเขาตอนที่มีอยู่นะตอนนี้ จะไปตั้งคำถามกับอนาคตทำไมทำไมไม่ลองตั้งคำถามกับปัจจุบันดูว่าตอนนี้ปัจจุบันของเรานี้เรามีขึ้นมาได้อย่างไรถามสิถ้าสมมติเราได้คาตอบตรงนี้ปุ๊บคำตอบตรงนี้เนี่ยมันจะไปตอบคำตอบตอนวันอาครยศโดยปริยายเพราะว่าการเกิดของเราในโลกนี้นี้เนี่ยสุบ ا าอัลลอฮ์เกิดด้วยความสามารถของละตละั๋ล ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจึงจะเกิดครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แค่คิดถึงตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นหรอกไม่ต้องไปคิดถึงท้องฟ้าหรือแผ่นดินมองตัวเองนี่แหละในตัวของเราเนี่ยมันมีสัญญาณความสามารทั้งหลาอยู่เต็มร้อยอยู่แล้ว س ุ ح ا ن อัลลอฮ์าานะว่าฟีอาลุสิฮิมอะฟลายุบซิรุนทั้งหลาบอกว่าในสุราอื่นนะครับที่บอกว่า ในตัวของพวกเขาเองเนี่ยก็มีเครื่องหมายความยิ่งใหญ่อลักษ์อทำไมพวกเขาไม่มองดูลอจบวยสครตมดเวละนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรา่าน่อีกัอ ا และ ت ا ل ى อัลลอฮ์ลลอฮ์อัลฮ์อัฮอลอััลลอฮอัลฮัฮอลลัลลอฮอลฮััอลอลอฮัลลั a ل l a h taala عالم أفتن الله إياهما يحب ويرضى صلى الله ن ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي كرب العزة ت م السيفول و السلام على المفسدين ا ل ح م د لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته